เรือนที่มวงเรียบร้อยฝน ย่อมไหล ย, ย้อยเข้าไม่ได้ใจที่อบรมเป็นอย่างดีราคะไม่มีวันเข้าครอบงำพุทธวัจนะ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 ขึ้นอยู่กับวิธีคิดด้วยถ้าเราคิดดีจิตเราก็มีความสุขก็ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมีความสบายไปด้วยแต่ถ้าเราคิดไม่ดีจิตเราก็เสียจิตเราก็มีความทุกข์มีความเศ่้าหมองร่างกายก็พลอยที่จะเป็นทุกข์เศร้าหมองไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตนี่สคัญจิตเป็นนาย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 ความสุขน้อยเราก็เราขาดทุนถ้าเรามีความสุขมากทุกน้อยเราได้กําไรแนละ้เนี่ยเป็นกําไรชีวิตเพราะนั้นถ้าเราเดินมาทางที่จิตมีความทุกข์มากเราก็ต้องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจสมัยมาถึงตรงนี้เราก็ต้องรู้จั ก, กเกษียณเราต้องกเกษียณจิตใจออกจากความทุกข์สบ้าต้องตั้งปฏิฐานใหม่อธิฐานใหม่ว่าตั้งแต่ น, นี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทุกข์อีกแล้วลาออกจากความทุกข์ไปเลย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 น, นี้คือเรื่องความทุกข์แต่ถ้าอยากให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ต้องปฏิบททัติธรรมการปฏิบททัติธรรมนี่พระองค์ท่านตรัสเลยว่าผู้ใดประพฤติธรรมเป็นปกติชอมมีความสุขเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปรอเวลาไม่ต้องไปรอโอกาสไม่ต้องรอสถานที่ทําได้ทันทีเลยเพียงแต่ ว, ว่าเรามีสติ